ทำผิดวินัยมากกว่ามากกว่าพระภิกษุเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศินให้ภิกษุณีมากกว่าภิกษุภิกษุศินในพระปฏิโมกอย่างพวกเราสวดจบลงสักครู่นี้อันนี้คือศินสองร้อี่สิบแต่ภิกษุณีสินสามร้อยแต่ศิลพภิสมาจาร์มากกว่า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 ขวางตาเหมือนกันพญานาคน่ะอล้ายค้เห็นแล้วมันคล้ายๆลกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับคนที่อยู่ในลักษณะแนวเดียวกันฮะมันขวางกันยากนากว่านากมีฤทธิ์กว่าพระธรรมนักคงนี้มันคงจะมาแย่งสถานที่เราก็มังไนี่แหละนาก็คิดแล้วเพ่งเพชรออกมา พ่น พ, พิษเหมือนกับงูเหมือนกับงูเห่าพ่น พ, พิษอย่างนั้นนะงูจงอางพ่นพิษอย่างนั้นนะภาษาคาตาเนี่ท่านก็มีอิทธิฤทธิ์ท่านก็จ้องอยู่แล้วนะท่านก็พ่น พ, พิษของท่านอีกกบ พ, พิษพญานาคอีกพญานาคหมดตทิ์เนี่ยต่อมาเพ่งไฟออกมา น, ะาานี่ยภาษากตานี่ก็ใช้โลกียะเพ่งไฟเข้าไปประกบหนกนะักจนานาคตอนนั้นยอมสาบภาพ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 ตอนนี้พระพุทธเจ้าจะเด็ดเข้าไปในเมืองพิพินาบาดในกรุงโกสัมพีพอกลับมามาเห็นภาษาคตะนอนสองแปสองสดงึหมดสติเพราะเมาสุราอย่างมากพระที่เป็นนายหน้านะ ค, ะควงจะหลบหลบลีกลีกหนีหนีไปแหละท่านพระองค์ก็ถามว่าเป็นไงพระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกว่าภาษาคตะเมาเล่าเมาสุรา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 แต่ขณะนี้น่ยสากตะเนี่ยนอนอยู่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเอาไปสู้กับงูเออเอาไปสู้กับงูเลือนน่ยคืองูเขียวตุกแกอย่างนั้นอ่ะจะสู้งูเขียวตุกแกได้ไหมลักษณะอย่างนั้นอ่ะพระสงฆ์ไม่ได้พระเจ้าข่าไปสู้ก็อะไรไปสู้ไม่ได้แลยแตอนนี้หมดสติหมดแล้วไปฮะให้พวกท่านทั้งหลายเอาไปเอาไ ป, อ, าไปออกไปนอกไปสํานัก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 เป็นผู้ที่นับถือเรื่มสใสของคนแต่นม่มานไม่ทั้งไม่รูกกระทั่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ถ้าว่าภาษากะตายังมีสติอยู่เนี่ยถ้าเห็นพระพุทธเจ้ามาแนละ้วจะเป็นนอนได้ยังไงนอนอย่างนี้จะต้องลุกแสดงถวายอภิวาสต์แสดงความเคารพแต่ในภาษากระาตายเนี่เฉยเอมันคนเมานะ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 พระเจ้าแผ่นดินก็ไม่รู้จะถวายอะไรกับพลาศีก็ถวายน้ำํำนี่แหละถวายสุราเนี่ยมอบให้กับทุตแทสแต่ใครจะกินยังไงฮรกินแล้วไหมืกินก็ได้แต่ชาวบ้านชาวเมืองเขากินกันเพราะมันยังไม่มีวินยัยยังไม่มีศีท์อะไรก็ผลาศีเหล่านี้ก็เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินมาเอาให้มากับมอบมอบให้ถวายมาเลย ต่างคนก็ต่างกินกันแหละหรือสีกินเหล้าไงถึงท่านจะมีชาญโล ก, กีก็เถอะนะนกับชานกับม่านเหล้ามันคนละอย่างกันแน่สิมันเหล้ามันไปกดสมองนะแต่ชานมาอยู่ในใจชานอยู่ในจิตใจของฤลีเนะี่แต่สุราเนะี่ยมันไปกดสมองของลือศนะีพอกินเข้าไปท่านน่ะนะลือศีทั้งหลายร้อยคนฮ่า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 ในการเมาของปอกกระพวกกับผมเพราะนั้นผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานด้วยการจะไม่ดื่มอีกท่านอาจารย์พกผมขอสารภาพผิดแหะรู้เท่าไม่ถึงการในการกระทาในข่าวนั้นแต่มองโดยแล้วผิดไม่สมควรอย่างยิ่งครับผมอาจารย์ก็เออเอาเมื่อเรารู้สารภาพแล้วก็หยุดซะถึงยังไงสุราตัวนี้นะ่ะมันไม่ได้ว่า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 นั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเรื่องศีลและวินัยควรจะสำรวมระวังให้ดีเพราะ น, นวันนี้ขณะนี้เป็นการสวดพระปฏิโมกเราควรจะปารกเรื่องวินัยให้กับพวกเราท่านทางหลายได้ฟังได้ศึกษาเอาตอนนี้ไปสวดท้ายพระปฏิโมกนะัีนนะ